ตอนที่สองยืมลมส่งตัวขึ้นที่สูงน้ำเสียงของซูมานอินแหบพรา่าทวะแสงไปด้วยความเย็นชาเหล่าสภัายตระกูลโจเรากับพบที่พึ่งทางใจในพริบตาต่างพากันเดินมาหยัดยืนอยู่ด้านหลังนางใช่แล้วที่นี่คือตระกูลโจหวังเกวี้หาเท้าเอวทั้งสองข้างพางยืดคอแผดเสียงตะโกนดา่าทอหลิวอวีหงถ้าอยากได้เงินก็นุ่นใสหัวกลับไปหาตระกูลฉินของพวกเจ้าซะ ซุนจิวหลิงที่ยืนอยู่ข้างๆแม้จะไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีแต่ก็ยืดอกขึ้นทําท่าทางข่มขวัญให้ดูเหมือนไม่ใช่คนที่จะมารังแกกันได้ง่ายๆชินเสี่ยวเย่เว่ที่หลบอยู่ด้านข้างกัดนิ้วมือพลางสะอื้นให้ด้วยร่างกายที่สั่นเทาแม่คะเราเกิดเป็นคนต้องมีมโนธรรมบ้างนะเงินของไวตรงแม่ก็เอาไปหมดแล้วตอนนี้ยังจะมาเอาเงินของพ่อเขาอีกมันจะเกินไปแล้วนะพูดจบนางก็ซบหน้าลงบนไหล่ของซูม่านอินแล้วร้องให้โฮออกมาข้าผิดต่อไวตรงเหลือเกินผิดต่อพ่อสามีเหลือเกิน เพื่อนบ้านที่ล้อมดูเหตุการณ์เห็นดังนั้นต่างก็พากันชี้หน้าวิพากวิจาร์หลิวอวิหงไปต่างๆนานาหลิวอวิหงที่เพิ่งตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากพื้นถึงกับโกรธจนตัวสัน่นนางนึกเสียใจจริงๆที่ไม่ได้พาฉินเหลียญซานผู้เป็นสามีมาด้วยตอนนี้ต้องมารับมือแบบหนึ่งต่อสามไม่สิหักนะับรวมลูกสาวออกตัะยูเข้าไปด้วยก็เป็นหนึ่งต่อสี่เห็นทีว่านางจะเสียเปรียบเข้าให้แล้วฉินเสียวเย่อในใจเจ้ามีแต่บ้านสามีแล้วยังมีบ้านเดิมอย่างพวกข้าอยู่อีกไหม พ่อของเจ้าล้มป่วยไม่มีเงินรักษาเจ้าก็ไม่สนเลี้ยงเจ้ามาเสียข้าวสุกจริงๆสู้เลี้ยงไก่สักตัวยังดีกว่าคุณดองเงินนี่เป็นเงินชดเชยของเหล่าโจจะจัดการอย่างไรนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาชี้นิ้วสั่งกระมังเจ้าเป็นตัวอะไรถึงกล้ามาหลิวอวี้เง่ปากเตรนจะพ่นคำหยาบคายออกมาแต่พอเห็นว่าเป็นซูมานอินนางก็เกิดอาการขยาดขึ้นมาทันทีเห็นเพียงซูมานอินย้มยิ้มบางๆพางหยิบไม้ท่อนขนาดหนาเท่าสานิ้วมือขึ้นมาจากพื้นแล้วกุมไว้ในมือ เจ้าเจ้าคิดจะใช้กำลังนั้นหรือเปลี่ยงซูมานอินเพียงออกแรงเบาๆไม้ท่อ น, นั้นก็หักสะบ้นออกเป็นสองท่อนคุณดองเมื่อครูเจ้าว่าอย่างไรนะซูมานอินเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มหลิวอวี๋หงตกใจจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวถ้าว่าไม่นานานางก็เริ่มวางแผนใหม่ในเมื่อใช้ไม้แข็งไม่ได้ผลนางก็จะใช้ไม้โนมแบบหน้าด้านด้านนี้แหละนางชูมือทั้งสองข้างขึ้น ขาทั้งสองค่อยกันแล้วเองกลายลงไปนั่งคัศมาธิกับพื้นแผ่เสียงร้องวอยๆทาตัวเป็นอันธพานทันทีโอยสวรรค์ไม่มีตาแล้วเลี้ยงลูกสาวมาจนโตแต่กลับเข้าข้างคนนอกพ่อป่วยไม่มีเงินรักษาก็ไม่ดูดำดูดีน้องชายไม่มีเงินแต่งเมียก็ไม่สนใจลูกสาวที่แต่งออกไปก็เหมือนน้าที่สาดออกไปจริงๆเสี่ยวเยเว่เจ้าอุตสาครองตัวเป็นไม้ให้ตระกูลโจมาถึงสองปีนี่คือสิ่งที่พวกเขาติดค้างเจ้าข้าทําไปก็เพราะหวังดีต่อเจ้าทั้งนั้นเหตุใดเจ้าถึงโง่เขลาเช่นนี้ แย่แล้วเจอพวกหน้าด้านเข้าให้แล้วจะทําอย่างไรดีฉินเสียวเย่เว่ดึงแขนซูม่านอินผู้เป็นเพื่อนสนิทพลางกระซิบเสียงเบาหรือว่าเราจะจัดการนางตอนนี้เลยดีไหมซูม่านอินปลายตาไปมองเพื่อนสนิทสายนกสองหัวที่ไร้เลยคนนี้ในหัวเล็กๆของนางช่างกล้าคิดอะไรไปเรื่อยจริงๆนางเพิ่งจะมาถึงยุค80ก็ต้องไปนอนในคุกเลยงั้นหรือในขณะที่สถานการณ์กําลังตึงเครียดจู่ๆก็มีน้ําเสียงอันทรงพลังเปี่ยมด้วยความยุติธรรมดังมาจากหน้าประตูบ้าน เกิดอะไรขึ้นใครมาสร้างความวุ่นวายที่นี่ฟูงชนต่างพากันแหวกทางเป็นช่องเล็กๆชายสองคนในชุดจงซานเดินอดอัดเข้ามาด้านในนี่คือผู้อํานวยการโรงงานหยางแห่งโรงงานทอผ้าชายชุดจงซานที่ดูหนุ่มกว่าก้าวขึ้นมาแนะนําตัวใครเป็นคนก่อเรื่องที่นี่ซูมานอินเห็นดังนั้นก็พลันเกิดความคิดดีๆขึ้นมาทันทีนางรีบก้าวไปข้างหน้าเขาทั้งสองอ่อนแรงแล้วสุดลงไปคุกเข่ากับพื้นทันที ผู้อำนวยการโรงงานอย่างในที่สุดพวกท่านก็มาเสียทีน้ําตาของซูมานอินไหลาพากออกมาดั่งสั่งได้นางชี้มือไปทางหลิวอวิของพางร้องทุกข์ด้วยเสียงสะอื้นเต๋อชางของข้าเพิ่งจากไปแม่ของสไพร์เว ย, ยตงก็มาแย่งชิงเงินชดเชยเต๋อชางตรักตรำทํางานจนล้มป่วยเสียชีวิตในหน้าที่เพื่อการพัฒนาประเทศเขาถือเป็นวีรชนคนหนึ่งแต่นางกลับจะมาบีบคั้นครอ บ, บครัววีรชนให้ตายตกไปตามกันทุกคนที่เห็นการแสดงนิ้วฉากนี้ของซูมานอินต่างก็พากันตกตะลึง ชินเสี้ยวเยเวเห็นดังนั้นก็ไม่ยอมน้อยหน้ารีบคุกเข่าลงร้องให้คร่ำครวญเช่นกันแม่เล็กของข้ายอย่างยากลำบากเหลือเกินนางถูกพวกเขาบีบคั้นจนต้องกระโดดน้ำฆ่าตัวตายมาแล้วหลิวอวี๋หงหน้าถอดสีด้วยความตกใจพวกเจ้าพวกเจ้าพูดเหลวไหลพวกเราพูดจาเหลวไหลหรือไม่เหล่าผู้นำที่ชาญฉลาดจะไม่เห็นเชียวหรือคะซูมานอินเอ่อยด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังแต่ยังคงขมอารมณ์ไว ชางมักจะบอกกับฉันเสมอว่าโรงงานคือที่พึ่งของเขาเป็นสนามรบที่เขาได้อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสร้างชาติแบบนี้เขาเพิ่งจะเสียสละในสนามรบไปแต่พวกเราที่เป็นครอบครัวกลับถูกรังแกผู้อํานวยการโรงงานอย่างฆาการทําแบบนี้ไม่เท่ากับทําให้สหายร่วมปฏิวัติเสียขวัญหรอกหรือคะใครคือวีรชนโจเตอ๋อชางน่ะหรือเขาเป็นแค่บัญชีเคยจับปืนที่ไหนกันแต่สิ่งที่แม่เมียตัวน้อยคนนี้พูดมามันก็ไม่มีที่ให้ตําหนิเลยจริงๆ ที่นี่คือโรงงานทอผ้าของรัฐคำขวัญที่ติดไว้ในโรงงานยังมีคำว่าสทันสมัยต้องชนะจะเป็นวีรชนหรือไม่นั้นไม่สําคัญแต่โจเตอชางผู้นี้ล้มลงในขณะปฏิบัติหน้าที่จริงๆเดิมทีเขาตั้งใจจะมาเพื่อสร้างภาพและการดูแลครอบครัวตัวอย่างผลปรากฏว่าครอบครัวนี้กลับถูกรังแกจนดูไม่ได้แบบนี้นี่มันตกหน้าเขาชัดๆสหายโจเตอชางเสียชีวิตในหน้าที่ครอบครัวของเขาก็คือญาติพี่น้องของโร ง, งงานทอผ้าความปลอดภัยของพวกเขาโร ง, งงานของเราจะปกป้องเอง เขาหันไปจ้องฉินเหรียญซานและหลิวอวีหงพรางตว่าเสียงเข้มหากใครกล้ามาก่ อ, ก, อกวนอีจะถูกส่งตัวไปที่แผนกรักษาความปลอดภัยโดยตรงหลิวอวีหงเห็นถ้าไม่ดีรีบลุกขึ้นและวิ่งหนีไปอย่างลนลานเมื่อคนไปแล้วสูม่านอิงก็รอบถอนหายใจอย่างโล่งอกบทดราม่าเจ้าน้ําตาแบบนี้ไม่เหมาะกับเธอเลยจริงๆเหนื่อยแทบขัดใจวันหลังคงต้องให้ยายเพื่อนรักมาแสดงแทนแล้วลถึงจะดูเฟกไปหน่อยแต่อย่างน้อยยายนั่นก็ชอบแถมเวลาร้องให้ยังมีเสียงโด re mi อีกต่างหาก ผู้อำนวยการโรงงานอย่างก้าวเข้ามาพยุงซูม่านอินให้ลุกขึ้นซุนจิ๋วหลิงก็รีบเข้ามาพยุงฉินเสี่ยวเยเว่เต๋อชางเป็นสหายที่ดีโรงงานไม่มีทางทอดทิ้งครอบครัวของเขาแน่นอนพวกคุณวางใจได้เงินชดเชยนี้ไม่มีใครแย่งไปได้หลอกต่อไปหากชีวิตมีความลําบากอะไรให้ไปหาที่สหภาพแรงงานของโรงงานได้เลยใช่ครับไปหาผมได้เลยชายหนุ่มในชุดจงซานที่ยืนอยู่ข้างๆเอ๋ยแนะนําตัว ผมคือประธานสหาภาพแรงงานของโรงงานท่ผ้าฝางเชียนพวกคุณวางใจเถอะโรงงานท่ผ้าของรัฐคือบ้านที่ถาวรของพวกคุณคำพูดนี้ถือเป็นการให้ท้ายซูม่านอินต่อหน้าฝูงชนอย่างชัดเจนหวังเกื้อฮาที่ยืนอยู่ข้างๆได้ยินคนจากโรงงานพูดเช่นนั้นก็รู้สึกไม่สบอารมณ์โดยเฉพาะประโยคที่ว่าไม่มีใครแย่งไปได้นั่นจงใจพูดให้ใครฟังกันละ่ะแต่บนใบหน้าเธอยังต้องฝืนยิ้มขอบคุณในความหองอยใหญ่ของเหล่าผู้นํา ผู้อำนวยการโรงงานหยางและฟางเชียนเข้าไปในบ้านจุดทูปหน้าภาพถ่ายผู้ล่วงลับไม่กี่ดอกพร้อมปลอบโยนครอบครัวอีกเล็กน้อยก่อนจะขอตัวลาโดยอ้างว่ามีธุระด่วนที่โรงงานเมื่อมองส่งแผ่นหลังของเหล่าผู้นําที่จะไปสู่มานอินที่พยายามกลั้นใจมาตลอดก็ผ่อนคลายลงในที่สุดเธอรู้สึกขาอ่อนแรงจนร่างแทบสุดลงกับพื้นโชคดีที่ชินเสี่ยวเยเว่ตาไวรีบคว้าตัวเธอไว้ได้ทันแม่เล็กเพื่อนรักเมื่อกี้คุณเทสสุดๆไปเลย ซูมานอินอาศัยแรงพยุมจากฉินเสี่ยวเยเว่พยายามยืนให้มั่นเธอมองดูคนทั้งสองที่ขึ้นรถจี๊ปจากไปไกลๆด้วยสายตาครุ่นคิดนี่ไม่ใช่แค่การคลี่คลายสถานการณ์ชั่วคราวแต่มันคืออำนาจที่เธหยิบยืมมาการจะเริ่มต้นชีวิตในยุคแปให้ดีได้นั้นต้องพึ่งพาอำนาจเล็กๆน้อยๆ น, นี้แหละหวังกว้ยฮามองดูแม่สามีลูกสะพ้ยที่สนิทสนมกันราวกับพี่น้องแล้วในใจก็ยิ่งไม่พอใจแม่ไม่ดวงกินผัวสองคนนี้มีสิทธิ์อะไรมาแบ่งเงิน เมื่อคิดถึงตรงนี้เธอก็เหมือนจะนึกเรื่องสำคัญบางอย่างออกป้าครับแม่เล็กคนนั้นฟื้นแล้วพวกเราควรจะสุนจิวหลิงเตือนขึ้นเบาๆอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวหวังเกว้ยหาตบหน้าขาตัวเองดังฉาดร้องอ๋อแล้วกระโดดตัวลอยตายแล้วรีบไปตามพวกเว่ยหมิ่นเร็วคนยังไม่ตายจะไปซื้อลงศพทำไมกันล่ะ